น, นั้นพระนางจันทาเทวีแวดล้อมไปด้วยหมู่นางสนมเสด็จมาทรงจับพระบาททั้งสองของพระปิโยรสทรงไหว้แล้วกันแสงมีพระเนรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนประทับนั่งณที่ควรแห่งหนึ่งลำดับนั้นพระราชาตรัสกะพระนางว่าน้องหญิงเธอจงดูโภชนาหารของลูกเธอ แล้วทรงหยิบใบหมากเม่าหน่อยหนึ่งวางในพระหัตถ์ของพระนางแล้วประทานแก่นางสนมอื่นๆคนละหน่อยนางสนมทั้งปวงเหล่านั้นกล่าวว่าพระองค์สวยโภชนะเห็นปานนี้หรือพระเจ้าข่าแล้วรับใบหมากเม่านั้นมาวางไว้บนศีรษะของตนของตนกล่าวว่าพระองค์ทรงทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งพระเจ้าข่าและถวายนมัสการนั่งอยู่ ลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระมหาสัตว์ว่าลูกรักเรื่องนี้ปรากฏเป็นอัศจรรย์แก่พ่อและตรัสคาถาว่าความอัศจรรย์ย่อมแจ่มแจ้งแก่พ่อเพราะได้เห็นลูกรักอยู่ในที่ลับแต่ผู้เดียวบริโภคอาหารเช่นนี้เหตุไรจึงมีผิวพันธ์ผ่องใสบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เดียวเอกกัง ความว่าลูกรักความอัศจรรย์ปรากฏแก่พ่อเพราะได้เห็นเธออยู่ในที่ลับแต่ผู้เดียวยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโภชนะนี้คำว่าเช่นนี้อีทิสังความว่าพระราชาตรัสถามพระมหาสัตว์ว่าผู้บริโภคโภชนะไม่มีรสเค็มไม่เปรี้ยวไม่มีการปรุงรสผสมน้ำเห็นปานนี้ เหตุไรจึงมีผิวพันธ์ผ่องใสลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะทูลตอบแด่พระราชาจึงตรัสว่ามหาบาพิษอัตมภาพนอนผู้เดียวบนเครื่องลาดใบไม้ที่ปูลาดไว้เพราะการนอนผู้เดียวนั้นผิวพันธ์ของอัตตมภาพจึงผ่องใสองครักที่ผูกเน็บดาบของอัตตมภาพไม่มีเพราะการนอนผู้เดียวนั้น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 นับประชับ ป, ปามิได้แก่ไม่ต้องการคำว่ายังเขียวสดหริโตได้แก่มีสีเขียวสดคำว่าถูกถอนลุโตความว่าเรากล่ว่าไม้อ้อที่ถูกถอนทิ้งไว้กลางแดดลำดับนั้นพระราชามีพระดำริว่าเราจะอภิเศกลูกของเราในที่นี้แหละแล้วพากลับไปพระนคร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 จงเป็นพระราชาของเราทั้งหลายจตรีสี่คนเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้องศึกษามาดีแล้วจักทำให้ลูกเรื่องลมในกามลูกจักทำอะไรในป่าพ่อจักนําราชกัญญาที่ตกแต่งแล้วจากพระราชาเหล่าอื่นมาเพื่อลูกลูกจงให้นางเหล่านั้นมีโอรสมากๆแล้วจึงผนวดต่อภายหลังลูกยังเยาวเป็นหนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัยมีเกษาดำสนิทจงครองราชสมบัติเถิดลูกจงเจริญเถิดจักทำอะไรในป่าบานดาคำเหล่านั้นคำว่ากองพลช้างหัตถานีกังความว่าช้างโคลงใหญ่ตั้งแต่สิบเชือกขึ้นไปชื่อว่ากองพลช้างกองพลรถก็อย่างนั้นคำว่ากองพลผูกเกราะจามิโน ได้แก่กองทหารกล้าตายสวมเกราะคำว่าเป็นผู้ฉลาดกุศลาได้แก่ผู้ชาญฉลาดคำว่าศึกษามาดีแล้วสุสิกขิตาความว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีในหน้าที่ของหญิงแม่อื่นๆคำว่าสตรีสี่คนจตุริธิโยได้แก่ ยิงงามีสเสน่ห์สี่คนอีกอย่างหนึ่งยิงชาวเมืองสี่คนอีกอย่างหนึ่งยิงฟอนรำสี่คนคำว่าราชกัญญาจากพระราชาเหล่าอื่นปฏิราชูหิกัญญาความว่าลูกรักพ่อจักนําราชกัญญาอื่นๆแต่พระราชาอื่นๆมาให้ลูกคาว่า ยังเยายุวาได้แก่ถึงความเป็นหนุ่มคำว่าเป็นหนุ่มแน่นทะหะโรได้แก่หนุ่มคำว่าตั้งอยู่ในปฐมวัยป ะ, ะมุปปติโตความว่าเกิดขึ้นคือขึ้นต้นโดยปฐมวัยคำว่ามีเกศาดำสนิทสุสุความว่ายังหนุ่มแน่นมีเกศาดำคลับ ตั้งแต่นี้ไปเป็นธรรมกถาของพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์เมื่อทรงแสดงธรรมถวายพระราชาตรัสว่าคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่มการบ ร, รพชาควรเป็นของคนหนุ่มข้อนั้นท่านผู้สแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรรเสริญแล้วคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่ม อาตามภาพจากประพฤติพรมจรรันทร์ไม่ต้องการราชสมบัติอาตามภาพเห็นเด็กหนุ่มของท่านทั้งหลายเรียกอยู่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นบุตรผู้เป็นที่รักที่ได้มาโดยยากยังไม่ทันแก่ก็ตายเสียแล้วอาตามภาพเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเด็กหญิงที่สวยงามน่าชมถูกมัจุปล้นชีวิตสิ้นชีวิตไปแล้ว เหมือนหน่อไม้ไผ่ยังอ่อนที่ถูกถอนฉะนั้นจริงอยู่นรชนจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ตามย่อมตายทั้งนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่าเรายังหนุ่มอยู่เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปอายุของสัตว์ก็น้อยไปน้อยไปเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำน้อยความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นจะทำอะไรได้ สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิดเมื่อสิ่งอันไม่ว่างเปล่าเป็นไปอยู่มหาบาพิธ จ, จะอภิเศกอัตมภาพในราชสมบัติทำไมพระราชาตรัสถาม ว, ว่าสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำไว้และถูกอะไรห้อมล้อมไว้อะไรเป็นไปไม่ว่างเปล่าพ่อถามแล้วลูกจงบอกข้อนั้นแก่พ่อพระมหาสัตรัส ว, ว่า สัตวโลกถูกความตายครอบงำไว้ถูกความแก่ห้อมล้อมไว้วันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ว่างเปล่ามหาบาพิษจงทราบอย่างนี้ขอถวายพระพรเมื่อได้ที่เขากำลังทอช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้นแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น แม่น้ำที่เต็มฝั่งไหลไปเรื่อยไม่หวนกลับชันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็ผ่านไปเรื่อยไม่หวนกลับชันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปชันใดสัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปชันนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนนม พรมหมจรียุวาสิยาความว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่มทีเดียวคำว่าผู้แสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรรเสริญแล้วอิสีพิวั น, นิตังความว่าท่านผู้แสวงหาคุณธรรมทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วคือชมเชยแล้วคำว่าต้องการราชสมบัติ รัชเณมัตติโกความว่าอัตมภาพไม่ต้องการราชสมบัติคำว่าเด็กหนุ่มเรียกอยู่ว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าอมมะตาตะวะันรังได้แก่นระผู้เรียกว่าแม่จา๋าพ่อจา๋าคำว่าถูกมัด จ, จุปล้นชีวิตปรลุษตังความว่าถูกความตายถอนขึ้นยึดไว้ คำว่าเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปยัตสระรัติยาธิวาสนณความว่ามหาบาพิษตั้งแต่เวลาที่เด็กถือปฏิสนธิในคันมานดาอายุก็น้อยลงเรื่อยเรื่อยเพราะคืนวันล่วงไปล่วงไปคำว่าความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นโกมาริกังตะหิงความว่าในวัยนั้นความเป็นหนุ่มจกทาอะไรได้ คำว่าถูกอะไรครอบงำไว้เกนะมัพภาหโตวความว่าโลกนี้ถูกอะไรครอบงำไว้พระราชาได้ทรงทราบเนื้อความของคำที่กล่าวไว้โดยย่ อ, อจึงตรัสถามข้อนี้คําว่าวันคืนรัตยาได้แก่ราตรีทั้งหลายมหาบาพิตรราตรีทั้งหลายย่อมทาอายุวันนะ และพละของสัตว์เหล่านี้ให้สิ้นไปเป็นไปอยู่ดังนั้นพึงทราบว่าชื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปอยู่ข้อว่าช่างหูกทอไปได้เท่าใดยังยังเทโวปวีหติความว่าในผ้าที่กําลังทออยู่เมื่อทำส่วนที่เหลือซึ่งจะต้องทอนั้นนั้นให้เต็มย่อมเหลืออยู่น้อยฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น คำว่าไม่หวนกลับณนะปริวัติติความว่าน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆอยู่ในขณะนั้นย่อมไม่ไหลไปในที่สูงข้อว่าพัดเอาต้นไม้ที่เกิดริมฝั่งไปวะเหรุกเขปกูละเชความว่าพึงพัดพาต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดใกล้ฝั่งไป